วิธีตรวจบารมีโดยปกติพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาสั่งสอนใครพระองค์จะต้องทรงตรวจดูอุปนิสัยของผู้นั้นเสียก่อนคำว่าตรวจอุปนิสัยในที่นี้หมายถึงการตรวจดูอินทรีย์กล่าวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพระองค์จะทรงตรวจดูว่า คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วในสันดานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบำเพ็ญบารมีในชาติก่อนเขามีมาแค่ไหนอย่างไรหรือถ้าจะพูดอีกในย่าหนึ่งก็คือตรวจดูว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างเคยมีความสำเร็จในทางไหนมาบ้างมีความถนัดในทางไหนมีอัธยาศัายชอบอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทุนที่เขามีอยู่แล้วนั้น มีกาลังพอหรือไม่ที่จะทำให้สําเร็จมากผลในชาตินี้การตรวจอุปนิสัยดังที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าทรงทำได้ไม่ยากและไม่จำเป็นจะต้องพบกับคนคนนั้นทั้งไม่จำเป็นที่จะต้องสอบถามเอาเรื่องราวจากคนอื่นเพราะพระองค์ทรงมีบุพเพนิวานุสติยานคือระลึกชาติได้และยานอื่นๆ อ, อ, อีกด้วยอานาจของยานทั้งหลายเหล่านี้หละพระพุทธเจ้า ก็ทรงสามารถที่จะรู้อุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายได้ภายในจิตใจของพระองค์เองวิธีการอย่างนี้ข้าพเจ้าเองทำไม่ได้และไม่มีทางจะทำได้เลยแต่ข้าพเจ้าก็มีอุบายอย่างอื่นกล่าวคือเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีบุคคลที่มีสมาธิดีสามารถจะติดต่อกับโอปปาติกาได้และโดยอาศัยวิธีนี้เองก่อนที่ข้าพเจ้าจะฝึกสมาธิให้แก่ใคร ซึ่งถ้าหากจะทำกันให้ได้ผลจริงๆแล้วข้าพเจ้าจะต้องถามโอปปาติกะที่มียานสามารถที่จะรู้ถึงบุพกรรมในชาติก่อนๆของคนทั้งหลายได้และสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ข้าพเจ้าจะขอร้องให้ท่านช่วยตรวจดูบา ร, รมีให้ก่อนเสมอเมื่อข้าพเจ้าได้หลักหรือได้แนวความคิดจากท่านมาแล้วข้าพเจ้าก็จะต้องนามาทดสอบกับความรู้ในทางธรรม ข้าพเจ้ามีอยู่อีกครั้งหนึ่งและด้วยวิธีนี้เองข้าพเจ้าก็พอที่จะรู้ว่าคนนั้นคนนี้จะสามารถฝึกสมาธิได้ขนาดไหนและจะฝึกด้วยวิธีอะไรซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้ใช้มานานแล้วและเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่าคําบอกเล่าของท่านมีความแม่นยําพอใช้ซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อท่านทั้งหมดร้อเปอร์เซ คำบอกเล่าต่างๆที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากท่านข้าพเจ้าจะยังไม่เชื่อทันทีข้าพเจ้าจะต้องกลั่นกรองหาเหตุผลหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่พอใจเสียก่อนแล้วจึงจะเชื่อและเท่าที่ข้าพเจ้าจำได้สิ่งที่ท่านบอกนั้นผิดก็มีแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของท่านมากมายและข้าพเจ้ารู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีท่านคอยแนะนำ คอยตักเตือนคอให้กำลังใจงานค้นคว้าอันนี้ก็คงจะเลิกล้มไปนานแล้วหมายเหตุให้สังเกตนะครับว่าแม้เทวดาผู้ทรงฤทธิ์ก็ยังมีการเข้าใจผิดหรือรู้เห็นบางอย่างผิดได้ยิ่งการจะแตกช้าในเรื่องกฎของกรรมผลของกรรมมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่อาจทำให้เข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ครบหรือออกผลเปลี่ยนไปได้ ซึ่งผู้ที่รู้เรื่องกรรมอย่างแท้จริงมีแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่สำเร็จโลกุตระอภิญญาแล้วเท่านั้นซึ่งให้ปัญญาแตกฉานรู้ลึกรู้จริงกว่ายานหรือฌานที่ยังเป็นโลกิยะนะครับการสำรวจดูบารมีโดยอาศัยคำบอกเล่าของโอปปาติกะที่ได้ฌานและโดยอาศัยหลักธรรมที่ข้าพเจ้าเรียนจากคำภีพระไตรปิฎกนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความหวังอยู่หลายอย่างเช่นถ้าหากการค้นคว้าในด้านนี้มีความแม่นยำและมีความชมนานาญมากขึ้นยิ่งกว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากเพราะคนเราเกือบจะทุกคนต้องการอยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรจึงจะมีความสำเร็จในชีวิตตัวเองมีบารมีมาในทางไหนบ้างถ้าหากเราได้อาศัยคาบอกเล่าจากโอปปปาติกะผู้ได้ชาญ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 ส่วนสิ่งที่ข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดในขณะนี้ก็คือใครก็ตามที่ต้องการจะฝึกสมาธิถ้าหากข้าพเจ้าได้มีเวลาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วโดยมากไม่ผิดข้าพเจ้าพอจะบอกได้ทีเดียวว่าคนนี้จะฝึกได้หรือไม่ได้ถ้าจะได้ได้ในเรื่องไหนและแค่ไหนอันนี้พอจะรู้ได้ไม่ยากนักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความมั่นใจว่า ข้าพเจ้ามีห้องฝึกสมาธิอย่างดีและมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะฝึกทุกๆอย่างตามสมควรแล้วงานที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยู่ก็คงจะเป็นปึกแผ่นนานมาแล้วแต่ทุกวันนี้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนหนึ่งแพทย์ที่ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือไม่มีแม้แต่พยาบาลเพราะฉะนั้นจึงทำอะไรไม่ค่อยได้ มาเหตุผู้อ่านอยากฝากข้อคิดไว้ให้กับวัดหลายวัดที่มีทุนทรัพย์มากพอนะครับเพราะว่าทุกวันนี้หมดเงินมหาศาลไป ก, กับการสร้าง ส, างสิ่งใหญ่โตที่ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเทียบกับการส่งเสริมการฝึกสมาธิหรือปฏิบัติธรรมการสร้างสถานที่เป็นที่พักและที่ปฏิบัติธรรมที่สับปายะสะดวกสบายกับคนรุ่นใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้ เหมือนที่หลวงพ่อพุทธานิโยท่านก็นเตือนเวลานานแล้วนะครับว่าจะไปสร้างอะไรใหญ่โตแข่งกันอีกทําไมที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เยอะพอแล้วคนทําเป็นกองทุนสร้างประโยชน์แก่พระศาสนาเช่นเพื่อการเผยแผ่ธรรมการปฏิบัติธรรมจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะแต่ละที่ที่สร้างนั้นใช้เงินกันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านการสร้างพระข้างนอกก็ยังไม่มีประโยชน์เท่าการสร้างพระข้างในให้ดูหลวงตาพระมหาบัวเป็นตัวอย่างนะครับ ตลอดชีวิตของท่านทำแต่ประโยชน์ให้สังคมสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจำทำพระป่าช่วยชาติโดยที่วัดป่าบ้านตาดนั้นไม่ได้สร้างอะไรใหญ่โตไว้เลยมีพระประธานองค์เดียวในศาลาไม้เก่าๆเท่านั้นและเจดีย์ใหญ่ที่สร้างอยู่นั้นก็สร้างหลังจากท่านดับขันไปแล้วเป็นเรื่องของศิษฐ์ที่ทำถวายท่านในภายหลังนะครับ อันที่จริงการฝึกสมาธิเพื่อที่จะติดต่อกับโอปปาติกานั้นถ้าหากจะเอาความสําเร็จในขั้นสูงคือในขั้นทิพยะจักสุขคือตาทิพหรือในขั้นมโนมนยิทิการมีฤทธิ์ทางใจเนรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ได้ก็มีทางที่จะทําได้เพราะหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เท่าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์และเท่าที่ข้าพเจ้าค้นคว้าจากที่อื่นๆรู้สึกว่า ความยากอยู่ที่การสแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมมากกว่าอย่างอื่นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเรานี้บุคคลที่สามารถจะฝึกสมาธิให้ไดถึงขั้นที่พยจักสุนันถ้าตั้งใจจะเสาะสแสวงหาจริงๆก็คงจะได้ลูกศิษย์คนที่ข้าพเจ้าได้ฝึกเอาไว้ซึ่งสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้นั้นครั้งหนึ่งเมื่อห้าปีล่วงมาแล้วเขาเคยได้ทิพยจักสุ เคยได้มโนมายธิแต่ได้เพียงเล็กน้อยอยู่ได้ไม่นานแล้วต่อมาก็เสื่อมทิ่ข้าพเจ้าว่าได้ทิพยาจักสุนันเพราะเคยทดสอบแล้วเขาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งของในที่มืดมองทะลุฝาและบางครั้งก็มองเห็นได้ไกลถึงต่างจังหวัดและทิ่ข้าพเจ้าถึ่งมากก็คือข้าพเจ้าเคยทดสอบให้เขาอ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดหนังสือ เมื่อบอกให้อ่านหน้าไหนก็อ่านได้ทันทีแต่ก็มีผิดบ้างและในเรื่องมโนมยิธิบางครั้งในเวลานั่งสมาธิก็เคยถอดกายมาได้ซึ่งกายที่ถอดมานั้นจะสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่กําลังนั่งอยู่และมองเห็นทุกๆคนที่อยู่ในห้องนั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับตัวเองตื่นอยู่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ผลงานที่ว่านี้ทำได้เพียงสองครั้งเท่านั้นแต่ละครั้งจะถอดกายออกมาได้ก็ราวๆนาทีหรือสองนาทีเท่านั้นจากผลงานเล็กๆน้อยๆที่ข้าพเจ้าประสบมานี้จึงทาให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคคลที่สามารถจะฝึกสมาธิถึงขั้นนี้พอจะหาได้แน่ๆแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หวังว่าคนที่จะฝึกสมาธิถึงขั้นนี้มีมาก ข้าพเจ้าคิดแต่เพียงว่าอย่างในเมืองไทยของเรานี้ถ้าหากมีคนที่สําเร็จถึงขั้นนี้จริงๆที่สามารถจะทดสอบให้ใครๆดูได้อย่างตรงไปตรงมาและขาวสะอาดไม่มีสิ่งที่คลุมเครือแฝงอยู่เลยเพียงสักสองหรือสามคนเท่านั้นก็นับว่ามากแล้วและคนสองสามคนที่สําเร็จสมาธิขั้นนี้แหละจะสามารถทาให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองยิ่ง เขาจะทาให้โลกหันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ได้หวังมากเกินไปในทิเบตเมื่อองค์ดาไลาลามะสิ้นพระชนผู้นำในทางศาสนาจะต้องเที่ยวเสาะแสวงหาผู้ที่จะเป็นองค์ดาไลาลามะองค์ต่อไปทันทีงาน น, นนี้ก็ททำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นงานที่ศักดิ์สิทธ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 เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมาถ้าหากคนไหนจะเด่นขึ้นมาในทางศาสนาส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการช่วยตัวของเขาเองกว่าคนอื่นจะรู้และให้ความช่วยเหลือบางทีมันก็สายเกินไปไม่ทันกับเหตุการณ์ในฝ่ายบ้านเมืองผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปทางฝ่ายราชสำนักรัฐบาลตลอดจนประชาชนได้มีการตระเตรียมการทุกๆอย่าง เพื่อที่จะให้บุคคลคนนั้นมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นประมุขของประเทศจริงๆส่วนในวงการพระศาสนาเราไม่มีหลักการเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าอยากจะให้คนไทยได้นึกถึงเรื่องดาไลาลามะในทิเบตบ้างเขาประครบประงมกันมาตั้งแต่เล็กๆทีเดียวข้าพเจ้าเชื่อว่าใครจะเกิดมาเป็นอะไรเขามีชะตาของเขามาตั้งแต่เกิดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากในวงการพระาศาสนาจะได้มีหลักการว่าจะพยายามคัดหาคนที่ดีที่สุดเพื่อให้มาเป็นผู้นําในทางาศาสนาและจะต้องอุ้มชู ก, กันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยถ้าหลักการอันนี้มีอยู่เราก็จะได้ผู้นําในทางาศาสนาที่เข้มแข็งเฉลียวฉลาดสืบต่อกันมาทุกๆสมัยข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่า คนที่เข้ามาเรียนทางพุทธศาสนาส่วนมากมีระดับสติปัญญาหรือไอคปานกลางส่วนผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงมักจะไปเรียนในทางโลกกันหมดในวงการของศาสนานานๆนนจึงจะเจอสักคนหรือสองคนที่สมองปราดเพ่องมีความรู้กว้างขวางแล้วรู้ศาสนาได้สามารถทำการเผยแพร่ได้ผ ล, ผลอย่างกว้างขวางบางที อาจจะเป็นสาเหตุอันนี้ก็เป็นได้ที่ทำให้เราไม่ได้คนที่เข้ามาเป็นกำลังของศาสนาประชาชนส่วนใหญ่คิดสแสวงหาผู้นำในทางศาสนาจากผู้ที่ไปบวชเป็นพระเท่านั้นซึ่งหมายความว่าคนไหนเมื่อได้เข้าไปบวชเป็นสามเนนหรือเป็นภิกษุและมีทีท่าว่าเรียนหนังสือเก่งจิตใจสูงเราทั้งหลายต่อเมื่อได้เห็นเช่นนี้แล้ว จึงพยายามอบอุ้มเพื่อให้สามเณรหรือภิกษุองค์นั้นมีความมั่นคงในทางศาสนาและพยายามที่จะหาทางชักจูงมิให้ท่านต้องสึกออกมาหลักการอันนี้ที่จริงนับว่าใช้ได้แต่บางทีเราก็ลืมข้อเท็จจริงอันหนึ่งไปเสียกล่าวคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระที่ปราดเปรื่องส่วนมากจะสึกจะอยู่เป็นพระได้ไม่นาน ทางนี้เพราะความปราดเปรื่องที่มีอยู่นั้นไม่สูงพอจะทำให้ละกิเลสหรือคิดสละโลกิยวิัยได้ปัญหาข้อนี้ยังไม่มีใครคิดแก้ไขได้เลยสถานการณ์ของพระในพระพุท ธ, ธศาสนาเป็นอย่างนี้มานานแล้วและยิ่งกว่านั้นในเมื่อเราทั้งหลายเห็นว่ากูที่เป็นพระยังทำไม่ได้และครวาะจะทำได้อย่างไร อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้ขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลคณะสงฆ์หรือประชาชนก็ตามไม่คิดที่จะให้การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแก่คารวาดอย่างจรงิงจังคนทั่วไปไม่รู้ว่าคนที่จะเข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากยังมีความกดดันในทางโลกอยู่ จะไม่มีทางเข้าถึงเลยและยิ่งกว่านั้นคารวะผู้คลุกคลีอยู่กับกิเลสคนเหล่านี้ถ้าหากได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถูกวิธีและหาทางให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาบ้างข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าตามหลักการอันนี้บางทีเราจะพบเพชรซึ่งจมอยู่ในโคลนนี่เอง ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาได้เคยมีตัวอย่างที่เป็นพยานหลักฐานแสดงถึงความจริงข้อนี้มามากต่อมากแล้วเราทั้งหลายลืมกันไปเองข้าพเจ้าได้สาธยายเกี่ยวกับเรื่องซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับวิธีฝึกสมาธิเลยมามากพอสมควรแล้วซึ่งอาจจะทำให้บางคนคิดว่าข้าพเจ้าพูดนอกเรื่องแต่ความเป็นจริงแล้ว ข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยตรงและใครจะกล่าวอีกสักครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีเพื้นจิตใจเหมาะสมในอันที่จะฝึกสมาธิขั้นสูงนั้นขอให้เราพยายามเสาะแสวงหาจากเด็กๆทั้งหญิงและชายบ้างบางทีเราจะได้พบเพชรเม็ดงามอย่างที่คนทั้งหลายต้องการและอีกประการหนึ่งขอท่านผู้อา่าน ได้โปรดพิจารณาให้ซึ้งอีกสักครั้งหนึ่งว่าค า, ารวาสผู้คลุกคลีอยู่กับกิเลสไม่มีบ้างทีเดียวเลยหรือที่คนเหล่านี้จะสามารถฝึกสมาธิขั้นสูงได้และอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่สำคัญยิ่งก็คือคนที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงได้ส่วนมากจะต้องเป็นคนที่มีระดับสติปัญญาสูงแต่เหตุการณ์ของพระศาสนาอย่างทุกวันนี้ คนที่มีระดับสติปัญญาสูงไม่เข้าไปเรียนในทางศาสนาคนเหล่านี้พากันไปเรียนในทางโลกเกือบหมดและก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งว่าแม้ผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองที่เป็นบุคคลผู้มีระดับสติปัญญาสูงจะมีอยู่แต่แล้วท่านเหล่านี้เกือบจะทั้งหมดก็ไม่อยู่ในผ้าเหลืองจนตลอดชีวิตบุคคลเหล่านี้เมื่อศึกออกมาแล้วความจาเป็นทางอาชีพก็มักจะต้องบังคับ ที่ต้องไปทำงานอื่นซึ่งไม่ค่อยจะได้ใช้ความรู้ที่ตนเองได้เรียนมาจริงๆนี่คือช่องโหวที่ทำให้การพระาศาสนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหมายเหตุผู้อา่านในเรื่องของพระที่มีสติปัญญาสูงและมักจะสึกไปเกือบทั้งหมดนั้นในที่นี้ต้องเข้าใจนะครับว่า อาจารย์พรท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยลาลัยสงฆ์ถวายความรู้แก่พระนิสิตมาจํานวนมากท่านจึงบอกเล่าไปตามความเป็นจริงถึงสิ่งที่ได้เจอมาว่าพระที่มีปัญญาสูงนั้นซึ่งน่าจะหมายถึงพระนิสิต ท, ที่กําลังศึกษาอยู่นั้นส่วนมากก็จะศึกไปเป็นค า, ารวาะแทบทั้งหมดและเข้าใจว่าคําว่าปัญญาสูงในที่นี้หมายถึงไอคสูงไม่ได้หมายถึงปัญญาทางธรรมนะครับควรแยกแยะผู้เข้าถึงธรรม ที่จำนวนมากท่านไม่ได้มีบารมีด้านการสั่งสอนคือถนัดแต่ปฏิบัติเพื่อให้ตนบรรลุธรรมแต่ไม่สามารถสั่งสอนหรือแตกฉานในการสั่งสอนผู้คนที่หลากหลายได้ซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนไปตามแนวทางของท่านที่ท่านถนัดหรือตามจริตของท่านจึงได้ผลกับคนบางคนหรือคนบางกลุ่มเท่านั้นในสมัยพุทธกาลก็มีนะครับพระภิกษุที่ไม่บรรลุธรรมแต่สามารถสั่งสอนสิทธิ ให้บรรลุธรรมได้จำนวนมากดังนั้นการที่จะให้พระศาสนายืนนานเผยพร่ไปในวงกว้างเข้าถึงประชาชนและคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้นจึงจําเป็นต้องได้ผู้มีสติปัญญาสูงไม่ใช่แค่รู้ธรรมเข้าใจธรรมแต่ต้องแตกฉานและมีความชำนาญในการเผยแผ่ธรรมให้เหมาะกับคนแต่ละระดับที่มีจริตและปัญญาแตกต่างกันด้วยถ้าเปรียบขั้นสูงสุดก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า ที่บรรลุเป็นพุทธแล้วประกาศพระศาสนาแต่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเมื่อบรรุแล้วก็ไม่ได้ประกาศพระศาสนาเพราะการจะเป็นพระศาสดานั้นต้องสะสมบารมียาวนานกว่ามากเพื่อที่จะเข้าใจและสั่งสอนคนทุกระดับได้จริงนะครับให้สังเกตว่าคนที่ถึงธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมและแตกฉานหรือถนัดในการสั่งสอนนั้นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็จะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง กับผู้คนจำนวนมากในระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าเห็นตามจริงในข้อนี้จะเห็นได้ชัดว่าแนวทางของอาจารย์พร น, นั้นเป็นการแก้ไขและส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนาในระยะยาวได้อย่างแท้จริง